แปคันธะสัมปยุตตทุกกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัย69สภาวธรรมที่สัมปยุตได้คันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตได้คันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตได้คันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตได้คันธะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุจด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่สหรคตรด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่สหรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ like ์ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธ์จากคันทะโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์และจิตตสมุทารูปโดยเหตุตกปัจจัยเหตุที่สหรฆด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธ์จากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โลภะและจิตตสมุทารูปโดยเหตุตกปัจจัย เหตุที่สหรฆุด้วยโทมานต์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจะขันปติฆะและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเจสภาวธรรมที่วิปยุจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่วิปยุจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจะขันติและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยโลภะที่วิปยุจากทิฏฐิ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่จิตตสัมมุทฐานารูปโดยเหตุปัใจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะนโดยเหตุปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตะขันโดยเหตุปัจจัยปัติฆะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตะขนัน โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจจากคันทะและที่วิปยุจจากคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจากขันและจิตตสมุสมทฐานรูรปรดดโดยเหตุปัจจัยปติฆะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจากขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย๗๑ สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธ์จากคันทะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะโดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรกรโคด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธ์จากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแห่สัมปยุทธ์จากขันโดยเหตุตปัจจัยเหตุที่สหรกรโคด้วยโทมานาตและปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธจากขันโดยเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธ์จากคันทะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที well. ่วิปยุจจากคันทะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่สหรคตด้วยโทมนั์และปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สำปรยุทธ์เียกคันทะและที่วิปยุจจากคันทะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุต์จากคันทะโดยเหตุตุปปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรกครคด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธ์จากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยเหตุที่สหรกรคด้วยโทมนัตและปัติคะเป็นปัจจัยแข่สัมปยุทธ์ตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตปัจจัยอารมณ์ปัจจัย เจสภาวธรรมที่สัมปยุทธเดียขันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธเดียขันทะโดยอรมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่สัมปยุทธเดียขันทะขันที่สัมปยุทธเดยขันทะจึงเกิดขึ้นแม้ในวาระทั้งสามก็พึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันที่สัมปยุทธเดียขันทะขันที่วิปยุทธจากขันทะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่สัมปยุทธเดียขันทะ ขันธ์ที่สารคกด้วยโลภะซึ่งวิปิยุยจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่สารคกด้วยโทมนัตและปติฆะจึงเกิดขึ้นเจ็สาสภาวธรรมที่วิปิยุตยจากคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุยจากคันถะโดยธรรมะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้ว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 มหาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปยุจจากคันถะโลภะและปฏิคะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่วิปยุจจากคันถะจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาอุทจจะโทมนาจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักรุฟังเสียงด้วยที่ประสงค์ธาตรุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อม ด้วยจิตที่วิปยุจจากคันถะด้วยเจโตปริยญาณอากาสารัญญายตนะเป็นปัจจัยแห่วิญญาณัญญายตนะอากินัญญายตนะเป็นปัจจัยแห่เนวัสัญญาณสัญญาญตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแห่จักรวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแห่กายวิญญาณโดยอรมณปัจจัยคันที่วิปยุจจากคันถะเป็นปัจจัยแห่อิทธิวิทยาน เจตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปคยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิวจักขันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่จำปยุทธึกคันธะโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและถึงยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌาน ละถึงย like ja e ินดีเพื่อเพลงขุศลนั้นเพราะปรารบความยินดีเพื่อเพลงขุศลนั้นราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมณัจจึงเกิดขึ้นย่อสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากคันธะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะและที่วิปยุทธิจากคันธะโดยอรมณัปัจจัยได้แก่เพราะปรารบจากสุอาไทยวัตถุขันที่วิปยุทธิจากคันธะ โลภะและปัติภะขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากพิธิโลภะขันธ์ที่สหรคต ด, ด้วยโทมานะและปฏิภะจึงเกิดขึ้นเจ็สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะและที่วิปยุจจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะโดยอรมานะปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่สหรคต ด, ด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิโลภะ ขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมนัตและปฏิฆะขันธ์ที่จําปยุยปทธด้วยคันทจะจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมนัตและปฏิฆะขันธ์ที่วิปยุทธจากคันทะจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฏฐิโลภะ ขันธ์ที่สหรักโทษด้วยโทมนัสและปฏิฆะขันธ์ที่สหอรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สหอรักโทษด้วยโทมนัสและปฏิฆะจึงเกิดขึ้นอธิปฏิปัจจัยเจ15สภาวธรรมที่สัม ป, ะ ย, ป, ป, จจ ะ, มปะยุดด้วยคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยคันถะโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปฏิและสหชาตาธิปฏิ <ร>อารมณนาทิปติได้แก่เพราะทำขันที him, ่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่ e. ส, ship. สัมปยุทธ์ด้วยคันทะจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบฎิธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปวิจากขันทะโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติ และสหชาตาทิปติอารมณาทิปติได้แก่เพราะทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นโลภะที่วิปยุทธจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาทิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่สัมปยุทธด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยอธิปดิธรรมที่สหรคคด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฏฐิ เป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยอธิปฎิธรรมที่สหรคตด้วยโทมนัะเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมประยุทธ์ด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปิยุทธ์จากคันทะโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติ อารมณนาทิปติได้แก่เพราะทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่สหระคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธิจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่สหรคตรด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธิจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ขันโลภะและจิตตาสมุทฐานรูปโดยทิปติปัจจัยอธิปดีธรรมที่สหรคตรด้วยโทมานต์ เป็นปัจจัยแก่ัมปยุตตะขันปฏิฆะและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัย 76. สภาวธรรมที่วิปยุจากขันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากขันธะโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ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 โ ว, วทานมรรคและผลโดยอธิ ป, ปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขทัยวัตถุขันธ์ที่วิปิยุจากคันธะและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิด เ, เพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่วิปิยุจากคันธะจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่วิปิยุจากคันธะเป็นปัจจัยแก่ฉลบวิจักขันธ์ และจิตตสมุทฐานะรูปโดยที่ปฏิปัปจัยสภาวธรรมที่วิปยุจักพันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจได้พันทะโดยที่ปฏิปจัยมีอย่างเดียวคืออรมานาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุสลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขหทยวัตถุ ที่วิปยุจจากคันถะและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมยุญด้วยคันทะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยคันทะและที่วิปยุจจากคันถะโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติได้แก่เพราะทำจากสุ หาไทยวัตถุขันธ์ที่วิปยุจจากคันธะและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่โสรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นเจ็สิบเจดสภาวธรรมที่สัมปะยุด้วยคันธะและที่วิปยุจจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุด้วยคันธะโดยเทปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมนาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่โสรโคตด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สัมปยุจเรียกขันธะจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่จะรโคด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นโลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่จะรโคด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฐานที่จะหอรก็ด้วยโลภะซึ่งวิปยุจักทิฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย78สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูล ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิที่เกิดส่วนก่อนเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลังๆโดยนันทระปัจจัยขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมนาซึ่งเกิดส่วนก่อนเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะที่เกิดหลังๆโดยนันตรปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุจด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่วุฐานะโดยนันตรปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุจักทิฐิที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจักทิฐิที่เกิดหลังหลังและโลภะโดยอนันตระปัจจัยขันที่สหรคตด้วยโทมนานะซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหร์รคตด้วยโทมานะซึ่งเกิดหลังๆและปัตถะโดยอนันตรปัจจัย79สภาวธรรมที่วิปยุจักคันทะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากคันทะโดยนันตรัปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปยุจากทิฏฐิซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยปติฆะที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ปติฆะที่เกิดหลังๆโดยนันตรัปัจจัยคันที่วิปยุตจากคันทะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่คันที่วิปยุจากคันทะซึ่งเกิดหลังๆ โดยนันทระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่คโคตรภูภะละสมาบัตโดยนันทระปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่จำปยุจด้วยคันทะโดยนันระปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปยุตจากทิฐิซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิที่เกิดหลังหลังโดยนันทระปัจจัยปฏิฆะที่เกิดก่อนก่อน เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมานต์ซึ่งเกิดหลังๆโดยนันระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะโดยนันระปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิวจักคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปิวจักคันทะโดยนันระปัจจัยได้แก่โลภะที่วิปิวจักทิฐิซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะ วิปยุจากทิฐิที่เกิดหลังๆและโลภะโดยนัตตระตรปัจจัยปติฆะที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่สะรักโทษด้วยโทมนัตซึ่งเกิดหลังๆและปติฆะโดยนัตตระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่สะรักโทษด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฐิโลภะขันที่จะรคตด้วยโทมนัตและปติฆะโดยอนันตราปัจใจแปดสิบ สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปปยุทธ์จากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคตรด้วยโลภะซึ่งวิปปิยุจากทิฏฐิที่เกิดกลอนกลอนและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปปิยุจากทิฏฐิที่เกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยขันธ์ที่สหรคตรด้วยโทมนัสซึ่งเกิดก่อนกลอนและปัจิกะ เป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรัรคตด้วยโทมนัสซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฏฐิที่เกิดก่อนก่อนและโลภะเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลังๆโดยนันทระปัจจัยขันที่สหรคตด้วยโทมนัสซึ่งเกิดก่อนๆและปัิถะเป็นปัจจัยแก่ปฏิถะที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมานะและปัจจคะเป็นปัจจัยแก่พุทธะโดยอนันตรัปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิที่เกิดก่อนและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิที่เกิดหลังๆและโลภะ โดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่สหรรคด้วยโทมานต์ซึ่งเกิดกลอนกลอนและปติคะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรรคด้วยโทมนั์ซึ่งเกิดหลังๆังและปติคะโดยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยเป็นต้นแปสบเอดสภาวธรรมที่สัมปยุทธเดียขันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธเดยขันธะโดยสมนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญามัญญะปัจจัย และนิสยปัจจัยอุปาณิสยปัจจัย8ปสองสภาวธรรมที่สัมปยุตได้คันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตได้คันทะโดยอ sal ุปาณิสยปัจ <northwest> จ <toss days worthwhile> ัยม <Sure> ีสามอย่างคืออรมณูปนิสยาอันันตรูปนิสยาและปกระตูปนิสยาปะกรตูปนิสยาได้แก่คันที่สัมปยุตได้คันทะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุตได้คันทะโดยอุปาณิสยาปจัย ทท พ, งง พ, พึงอ้างบทที่เป็นมูลพึงจัดอุปาณิสยปัจจัยไว้ทั้งสามวาร ะ, ข, ระขันธ์ที่สัมปยุดด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุจจากคันทะโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นโมลพึงจัดอุปาณิสยปัจจัยไว้ทั้งสามวาระขันธ์ที่สัมปยุดด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโรภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิและโลภะโดยอุปาณิสยาปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่จอรา ก, ก็ด้วยโทมนัะและปฏิฆะโดยอุปาณิสยาปัจจัย 83. สิภาวธรรมที่วิปยุจากขันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากขันธะโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณโปาณิสยาอันันตารูปปาณิสยาและปะกาตูปนณิสยาปะกาตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้น มีมา n ะอาศัยศีลปัญญาราคะโทสะโมหะมา n ะความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานทรรมะสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงส์ศัธาปัญญาราคะความปรารถนาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศธาปัญญาราคะโทสะโมหะมา n ะ ความปรารถนาละถึงพระสมาบัติโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันถะเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปยุจได้คันทะโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออรัมณูปาณิสยาปนันตารูปาณิสยาและปะกระตูปนิสยปาปะกระตูปนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเธอทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาราคะ มานะความป à, รารถนาเสนาสนะแล้วฆ ac ่าสัตว์ทำลายสงสัศธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจักคันถะและที่วิปิยุจากคันธะโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงจัดอุปาณิสยปัจจัยไว้ทั้งสามวาระ บุคคลอาศัยศรัท ธ, ธาแล้วมีมานะอาศัยศีลปัญญาราคะโทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายเสยนาชนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศรัท ธ, ธาปัญญาราคะโทสะโมหะมานะความปรารถนาเสนาสนะเป็นปัจจัยแข็ขันที่สห่อรักด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฐิโลภะขันที่สหรคตด้วยโทมนัสและปติฆะ โดยอุปนิสยปัจจัย 84. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธ์จากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะโดยอุปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปนิสยาอเนนตารูปะนิสยและปะกะตูปะนิสยาปะกะตูปนิสยาได้แก่ขันธ์ที่เจะรกรโคด้วยโลภะซึ่งวิปยทุทธ์จากทิฐิโลภะ ขันธ์ที่สหารคตด้วยโทมนัสและปติคะเป็นปัจจัยแข่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สวรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมนัสและปติคะเป็นปัจจัยแก่ขันที่วิปยุจจากคันทะโลภะที่วิปยุจจากทิฏฐิและปฏิคะโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูล ขันธ์ที่เจหัรโคดด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจักทิฐิโลภะขันธ์ที่เจหรโคดด้วยโทมานะและปัติคะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เจหรโคดด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจักทิฐิโลภะขันธ์ที่เจหรโคดด้วยโทมานะและปัติคะโดยอุปาณิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยแปสห้าสภาวธรรมที่วิปิยุจักคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจักคันทะ โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาตะอารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่วิปยุจักคันธะจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาอุทจจะโทมานะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขุ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 สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุภาไทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะที่สัมปยุจด้วยคันทะจึงเกิดขึ้นทิฏฐโทมณะจึงเกิดขึ้น วัตถุปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุด้วยขันธะโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากขันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุด้วยขันธะและที่วิปยุจจากขันธะโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารอจากสุหาไทยวัตถุ ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมานะและปติฆะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุรเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่จหรคตด้วยโทมนัะและปติฆะโดยปุรเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยแปสหสภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยขันธะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากคันทะโดยปัจฉาชาตะ ป, ะะปัจปปปจั ย, ชาชาจยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่วิปยุจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากคันทะโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สัมปยุจด้คันทะและที่วิปยุจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากคันทะโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้ แ, แก่ขันธ์ที่สห์รคกด้วยโลภะ วิปยุจจากทิฏฐิโลภะขันที่สหรคตด้วยโทมนัตและปติคะซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย87สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยขันทะโดยอาเสวนปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยไม่มีทั้งอวัชนะจิตและอุานะ กรรมปัจจัยแปสิบปดสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุด้วยคันทะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุ Dogs ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตจขกคันโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันทะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะ สหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยก a ม m ปัจจัยเจตนาที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุทฐานรูปโดยก a ม m ปัจจัยเจตนาที่สหรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่ปฏิภะและจิตตสมุทฐานรูปโดย k a r m ปัจจัยนานาคณิกะได้แก่ เจตานาที่สัมปยุทธด้วยคันธะเป็นปัจจัยแข่ขันที่เป hmm. ็นวิบากและกระตัตรารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยคันธะและที่วิปิวิจักคันธะโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธข่คันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยกรรมะปัจจัยเจตนาที่สหรควดด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุจจากทิฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจขัน์โลภะและจิตตสมุทฐานรูปโดย karma ปัจจัยเจตนาที่โสหรคตรด้วยโทมนั์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจากขนันปฏิฆะและจิตตสมุทฐานรูปโดย karma ปัจจัย 89. สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันถะโดย karma ปัจจัยมีสองอย่างคือสาชาตะและนานาคเนกะ สหชาตะได้แก่เจตนาที่วิปยุจากขันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจักขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยธรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่วิปยุจากขันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกระตัตารูปโดยธรรมะปัจจัยวิปากปัจจัยเป็นต้น๙๐สภาวธรรมที่วิปยุจากขันธะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะโดยวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สัมปยุจได้คันทะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุจได้คันทะโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสวาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตะปัจจัยมี6วาระ วิบยุตตะปัจจัย9าสอสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิบยุตจากคันทะโดยวิบยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อพึงจำแนกไว้สภาวธรรมที่วิบยุตจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิบยุตจากคันทะโดยวิบยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะ ปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่วิปิยุจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะโดยวิปิยุจตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะแด้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุจด้วยคันทะโดยวิปิยุจตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะและที่วิปิยุจากคันทะ โดยวิบิยุตตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิบิยุจจากทิฐิโลภะขันที่สหรตด้วยโทมนัตและปติฆะโดยวิบิยุตตปัจจัย92สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะและที่วิบิยุจจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิบิยุจจากคันทะ โดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างเผอสหชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่ง like วิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมานต์และปัตตะะเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะ ซึ่งวิปยุตจากทิฐิโลภะขันที่จะห่อรโคด้วยโทมนัะและปฏิคะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตต์ปัจจัยอธิปัจจัย9๓สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิยุจจากคันทะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือชะชาตะและปัจฉาชาตะย่อพึงจำแ น, นกไว้สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยคันทะและที่วิปิยุจจากคันทะโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเกสสภาวธรรมที่วิปิยุจจากคันทะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะย่อพึงจำแนกไว้สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยคันทะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ โลภะที่วิปยุจากทิฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตขันธ์โดยอธิปัจจัยปติฆะที่สหอระโคด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตขันธ์โดยอัติปัจจัยผู้เรชาตาได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพลิด เ, เพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่สัมปยุดด้วยคันทะทิฐิโทมนัสจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะโดยอธิปยยัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะและที่วิปยุจจากคันธะโดยอธิปยยัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเราชาตะสหชาตะได้แก่โลภะทีดด่วิปยุจจากทิฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์จากขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปยยัจจัยปฏิฆะ เป็นปัจจัยแก่สัมรยุทธขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารบจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฐิโลภะขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมนัสและปฏิภะจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฐิโลภะ ขันที่จะหรโคด้วยโทมานะและปฏิฆะโดยอธิปัจจัย9๕สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธิจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและอาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัย ละถึงขันธ์สองซาชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปวิจักติทิฏและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สองขันธ์หนึ่งที่สโสรคตด้วยโธมนัตและปัตถะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สองสภาวธรรมที่จำปยุจ ด, ด้วยคันทะและที่วิปยุจจากคันทะ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจักคันทะโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างเครสะชาตะาปูเรชาตะปัจชาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุจ ด, ด้วยคันทะและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแห่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สหรโคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุจากทิฐิและโลภะ เป็นปัจจัยแก่จิตตส ม, สมุทฐานรูปโดยอัติปัจจัย ส, สหชาตะได้แก่ขันธ์ที่จหรโคดด้วยโทมนัสและปติคะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอัติปัจจัยขันธ์ที่จหรโคดด้วยโลภะซึ่งวิพิจากทิฐิและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่โลภะโดยอัติปัจจัยขันธ์ที่จหรโคดด้วยโทมนัสและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปติคะโดยอธิปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เสหรครดด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิโลภะขันธ์ที่เสหรครดด้วยโทมนัตและปัติคะเป็นปัจจักกยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุจ ด, ด้วยคันทะและเกลิืนกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุจด้วยคันทะและรูปปัชีวิตินซี เป็นปัจจัยแก่ขาตาโรบโดยอัติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปิยุจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปิยุจากคันทะโดยอัต pues ิปัจจ <|so|> ัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรโคด้วยโลภะซึ่งวิปิยุจากทิฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูป โดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สองสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่จะหรอรคตรด้วยโทมนัสและปติคะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สองสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่จหรอรคตรด้วยโลภะซึ่งวิปยุจจากทิฏฐิและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและโลภะโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สอง สหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่จอรโคตด้วยโทมนั์และหัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและปฏิฆะโดยอธิปัจจัยละถึงขันสอง 1. ปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทนัยเกเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารหันต์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมี9้าวาระ มนันทระปัจจัยม you know yes so <the ีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิจฉาปัจจัยมีเก้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระบุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอสิวะนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรีย์ปัจจัยมีสี่วาระชานะปัจจัยมีสวาระมรรคปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระนัตถิปัจจัยมีเ้าวาระวิคตปัจจัยมีเ้าวาระอะวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระอนุโลมจก สองปจนียุทธาระเกสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยคันทะโดยรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะโดยรมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมะปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะเป็นป oh ัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธิจากคันทะโดยอรมณะปัจจัยสหชาตตปัจจัยและอุปาเสสยปัจจัยเกสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธิจากคันทะโดยอารมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปาเสสยปัจจัยบูเรชาตาปัจจัยปัจฉาชาตาปัจจัย กรมป aj, peso, 3, vender, ram, pain, 1988, bu wasting, ัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากขันธะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยขันธะโดยอรมณ์ปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากขันธะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยขันธะและที่วิปิยุจากขันธะโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัย อุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย9๙สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยคันทะและที่วิปิวิจากคันทะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยคันทะโดยระมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยคันทะและที่วิปิวิจากคันทะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิวิจากคันทะโดยระมณปัจจัยสหชาตปัจจัย อุปานินสยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธ์จากคันทะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะและที่วิปยุทธ์จากคันทะโดยรมณะปัจจัยชายชาตปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนาสอ ง, ส, องสังขยาวาระหนึ่งรเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ เนอารรมณะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละเก้าวาระนัววิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสปัจจญานุโลมปัจญียะเหตุทุกขในร้อยหนึ่งเอารรมณะปัจจัยกับเหตุปัจใจมีเก้าวาระเนอทิปติปัจใจมีเก้าวาระและถึงเนอสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระเนอัญญามัญญาปัจจัยมีสามวาระ ณอุปาณิสยปัจจัยมี9้าวาระละถึงนมัคคปัจจัยมี9้าวาระณสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตปัจจัยมีหกวาระโนนัติปัจจัยมี9้าวาระโนวิคัตะปัจจัยมี9้าวาระ 4. ปัจจะยปัจจญญานุโลมณเหตุทุกขกันในร้อยสองอารมณะปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี9้าวาระ อธิปฏิปัจจัยในฆ้าวาระพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิจารและถึงอวิคตะปัจจัยในฆ้าวาระคันทะสัมปยุตตทุกกะจบ